ริดว่าผู้ก่อการร้ายปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อโรคเข้านี่ไม่สบายยังเด็กๆนะสาวๆเด็กๆป่วยปุกปับเลยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมีบทส่วนมนต์อยู่บทนะั้นบอกชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน อยู่ที่เราเตรียมความพร้อมไม่แค่ไหนถ้ามีความพร้อมนะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้ายัางไม่พร้อมก็กลัวลสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์น่ารักชีวิตที่สุดเลยห่วงแหนที่สุดพออาศัยว่ามีชีวิตก็เลยมีสิ่งอื่นๆขึ้นมาถ้าขาดชีวิตสักอย่างเดียวก็รู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเลยเป็นของสําคัญมาก ามจริงมันยังมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกแต่เราไม่รู้จักมีธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะเราก็เห็นธรรมะสำคัญที่สุดอย่างอื่นๆก็งั้นๆนะชีวิตเป็นของโชคราวธรรมะเป็นของยั่งยืนแต่ว่ายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปเห็นธรรมะที่แท้จริงเราเห็นแต่ธรรมะที่เป็นความปรุงแต่ง ธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งไม่เคยเห็นนึกก็นึกไม่ออกนะภูมิปัญญาของมนุษย์ทั้งหลายนึกได้แค่ถ้าไม่มีอยู่ถาวรก็ต้องหายไปร่างกายจิตใจชีวิตเนี่ยสติปัญญาของเราไปได้แค่เรื่องชีวิตนั้นถ้าชีวิตนี้ไม่ถาวรชีวิตนี้ก็แตกดับสูญสลายหายไปเลยถาวรก็ร่างกายตาย จิตใจไปเกิดใหม่ออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ชาวพุทธเราเชื่ออย่างนี้นะเชื่ออย่างนี้เยอะเลยนี่มีฉาทิฏฐิเราคิดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงพอร่างกายตายก็จิตออกจากร่างนี้ไปหาที่เกิดเอาใหม่นั้นไม่ใช่ชาวพุทธนั้นเป็นทฤษฎีของฮินดูเป็นเรื่องของอัตตาอาตมันเวลาร่างกายตายเนี่ย อัตตาหรือตัวอาตมันมันออกจากร่างไปไปหาที่เกิดใหม่เวียนว่ายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งทำคุณงามความดีเต็มที่ก็บรรลุโมกษะคล้ายๆนิพพานแต่ไม่ใช่นะเรียกโมกษะคืออัตตานี่ไปรวมเข้ากับบรมอัตตาคือพระเจ้าหรือปรมาตมันนี่ชาวพุทธเรากลับไปเชื่ออย่างนี้เคยได้ยินมาแต่เด็กๆใช่ไหมตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเดี๋ยวไปเกิดอีก อันนั้นเพราะว่าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเลยไม่เห็นความจริงว่าจิตนั้นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูแล้วดับที่หูนะไม่ใช่เกิดที่ร่างกายนี้แล้วก็ไม่ดับออกจากร่างนี้ไปเกิดอีก<ม>งั้นถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานไปหรือทํำวิปัสสนากรรมฐานจนเห็นจิตมันเกิดดับจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่มีหรอกอัตตาอัตตาเป็นความลงผิด อย่างพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนเราจะรู้สึกว่ามีอัตตาในในร่างกายเนี่ยพวกเรารู้สึกไหมมีเราอยู่คนนึงเราจนะ ร, ารู้สึกนนในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เที่ยงแท้ถาวรเพราะเราคนนี้ตอนเด็กๆเราเดี๋ยวนี้นะก็คนเดิมเรารู้สึกเป็นคนเดิมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งแล้วเป็นคนเดิมร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ตัวเรานี่ยังคงเดิมต่อไปอีกถึงร่างกายนี้ตายไปตัวเรานี้ยังคงเดิมอีก ก็ไปหาร่างเกิดใหม่แนวโน้มความโน้มเอยียงที่คนจะเชื่ออย่างนี้มีง่ายเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองกลัวว่าตัวเองจะหายไปรักตัวเองมากแต่ถ้าเรามาเจริญสติจริงๆแนละ้วเราจะเห็นลงมันจิตนี้เกิดดับเป็นขณะขณะขณะนะหลายคนที่ฝึกไปช่วงหนึ่งก็เห็นแนะจิตมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมันก็ดับไปดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นมาอีกก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรคนใดที่เห็นความจริงว่าไม่มีตัวตนถาวรเนี่ยเป็นพระโสดาบันงั้นไม่น่าแปลกหรอกที่เราคิดว่ามีตัวตนถาวรมีอัตตาอยู่ถาวรเเพราะเราไม่ใช่พระโสดาบันเราก็ยังรู้สึกว่ามีอยู่ แต่วันใดได้เป็นพระโสดาบันแลเวลาย้อนมาดูเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีอันใดอันหนึ่งเป็นตัวเราของเราไม่มีอัตตาจะเห็นภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะเริ่มเห็นยังไม่ได้โสดาก็เริ่มเห็นแล้วว่าความรู้สึกเป็นตัวเรานั้นเกิดจากความคิดแต่พอเพลอเรนัมันก็รู้สึกว่ามีอีกอ น, นันละไม่เด็ดขาดถ้าละเด็ดขาดต้องละด้วยอริยมรดุด้วยโสดาปฏิมรด์โสดาปฏิมรด์เกิดจากทัศนะคือเกิดจากการเห็น เห็นความจริงไม่เหมือนมากเบื้องสูงนะเกิดจากภาวนาโสดาปฏิมากเกิดจากทัศนะคือการเห็นเห็นความจริงของกายของใจเห็นไปเรื่อยเอยเห็นแล้วก็เห็นมันเกิดดับมันมีอยู่แล้วก็หายไปมันหายไปแล้วมันก็มามีอีกอย่างเงี้ยสืบเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เห็นมากเข้ามากเข้าแล้วก็รู้ไม่มีตัวตนถาวรหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวพระตนนะั้นจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองไม่มี เป็นแค่ความลงผิดความเห็นผิดความเห็นผิดว่ามีตัวเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นผิดนะทิฐิค่อยฝึกนะฝึกค่อยคอยสังเกตงั้นต้องเรียนจนสามารถเจริญสติเห็นความเกิดดับอยู่ในกายในใจนี้ได้ร่างกายจนะดูง่ายถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปก่อนมีกําลังขึ้นมามนก็มาเห็นจิต แต่ถ้ามีกำลังมากนะดูเข้ามาเห็นจิตเกิดดับได้ดูเข้าไปเลยหลวงปู่มั่นเคยสอนหลวงปู่สุวัตหปู่สุวัตเคยเล่าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนเลยดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้นะให้ดูกายดูกายไม่ได้ทำความสงบไหมมีเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังพอก็ดูจิตเข้าไปเลยทำไมต้องดูให้ถึงจิตละ่ะ จิตเป็นใหญ่เห็นไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทําทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยใจจะทําสงครามทั้งตีก็ตีหัวโจบมันจะม่ตีริ้วร้อมันเงันอยากพ้นทุกเร็วๆนะถ้ามีกําลังพอก็ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองหลวงปู่เทศก็เคยสอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ได้แก่นสารไม่มีสาระ การปฏิบัตินะต้องรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจถึงได้สาระได้แก่นสารของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่ออำนาจรุกนสิทธ์หลวงูดเทศเหมือนกันไปหาหลวงปูดเทศรุ่นไล่ๆกันหลวงพ่อไปปีสองห้าท่านส่งไล่ๆกันหลวงพ่ออำนาจกี่ในสองหกเองั้นงั้นรุ่นรุ่นน้องรุ่นหนึ่ง ท่านน่ารักนะน่ารักหลวงพ่อน่ากลัวใครๆก็กลัวหลวงพ่อใครๆก็รักหลวงพ่ออำนาจคนรักมากนะท่านก็สบักสบอมมากใจดีเกินไปลาบากนะเป็นพระต้องดุไว้บ้างไม่งั้นเหนื่อยให้ฝึกนะฝึกไปอดดูของเราไปน่าดูจนเข้าถึงจิตถึงใจให้ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอก เบื้องต้นเราอย่างดูจิตไม่ได้เรารู้ความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกกับจิตเนี่ยมันใกล้กันตัวความรู้สึกทั้งหลายอภิธรรมเขาเรียกเจตสิกเจตสิกมันเกิดร่วมกับจิตเจตสิกมันเป็นสังขารของจิตเรียกว่าจิตตสังขารหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งซึ่งปรากฏออกมาอย่างสังขารร่างกายเนี่ยเป็นที่ปรากฏของก้อนธาตุออกมา จิตสังขารก็เป็นที่ปรากฏของจิตออกมาจิตโดยตัวมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีอะไรไม่มีเครื่องให้สังเกตไม่ให้มีเครื่องให้หมายตัวจิตเองเป็นธาตรู้ธาตรู้ไม่เหมือนธาตุดินน้ำไฟลมนะธาตุดินน้ำไฟลมมีลักษณะมีสภาวะที่จับต้องได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้แต่จิตนี่มันละเอียดมันประณีตเป็นธาตุที่ละเอียดที่สุด จิตมันละเอียดดูยากเราก็ดูสิ่งซึ่งจิตมันแสดงตัวออกมาให้จิตตสังขารสิ่งที่เป็นจิตตสังขารก็ได้แก่อะไรได้แก่เวทนาสัญญาสังขารพวกนี้เรียกว่าจิตตสังขารนะตัวสังขานเองคือตัวกุศลและอกุศลทั้งหลายนะก็อาศัยเวทนากับสัญญาเกิดขึ้นอีกใหนะ้มันอิงกันไปหมดนะแต่เราไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นนะ่ะ เอาแค่ว่าถ้าความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันไปเห็นว่าความรู้สึกสุขมันผุดขึ้นมาความรู้สึกทุกข์มันเกิดขึ้นก็รู้ทันเห็นความรู้สึกทุกข์มันผุดขึ้นมาความรู้สึกเฉยๆผุดขึ้นมาก็รู้เห็นมันผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปดูอย่างนี้เรื่อยๆดูเปลือกดูเปลือกของจิตตัวจิตไม่มีเปลือกตัวจิตคล้ายๆหมูกระดาษที่หลวงพ่อว่าจิตอสังขารเป็นเปลือกมันมันทำให้เราดูรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ฉะ้นเราดูจิตตสังขารไปก่อนดูความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้เฉยๆเกิดขึ้นก็รู้กูศลเกิดขึ้นก็รู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้มันหายไปก็รู้ใครรู้อย่างเนี้ยหัดใหม่ๆก็ไม่ต้องไปค้นคว้านะว่าจิตอยู่ที่ไหนความรู้สึกใดๆเกิดก็รู้ไปแล้วเราจะเห็นความรู้สึกนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ ตรงที่มันดับไปเนี่ยมันว่างๆเข้ามามันเหลือแต่รู้ว่างๆแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่เข้าใกล้จิตมากขึ้นแล้วค่อยๆรู้ไปนะเราจะเห็นจิตแท้ๆนะตอนบรรลุมรรคผลตอนยังไม่บรรลุยังไม่เห็นนะเห็นสภาวะแท้แท้ของมันเลยหลวงปู่ดนสอนไหมหลวงปู่ดนสอนบอกว่าตอนบรรลุมรรคผลนะจิตยิ้มจิตยิ้มเพื่ออะไรเพื่อแสดงความมีอยู่ของจิต เป็นอะไรเป็นความว่างนะตัวจิตไม่มีอะไรเป็นความว่างไม่มีไม่มีรูปร่างแสงสีใดๆแต่มันแสดงอาการขึ้นมาแสดงความมีอยู่ของมันให้ผู้ปฏิบัติพอสังเกตได้ว่ามันยังมีธาตุอีกชนิดหนึ่งธาตุอันนี้ละเอียดประณีตค่อยเรียนค่อยดูไปไม่ยากหรอกไม่ยากอาจรู้จิตอสังขารไปเรื่อยเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันคล้ายๆเรามีน้ํา อัดลมใส่สีน้ำเสริมสีเติมแก๊สเข้าไปเรียกชื่อเพราะๆขายได้ขวดหนึ่งหลายบาททำไงเราจะเห็นน้ำที่บริสุทธิ์นั้นได้เราต้องสามารถแยกออกของที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปเราจะเห็นจิต น, นเราก็ต้องแยกของที่ปรุงแต่งจิตออกไปได้แยกออกไปเป็นเราต้องรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งของปรุงแต่งจิตไม่ใช่จิตออกความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นนะ่ความโกรธไม่ใช่จิต ความโลภเกิดขึ้นก็เห็นอีกนะความโลภมันมาแล้วมันไปตัวรู ins, zam, past, ้ยังอยู speaking, ่ความโกรธผ่านมาแล้วไปตัวรู้ยังอยู่ความโลภผ่านมาผ่านไปตัวรู้ยังอยู่ในสุดดูไปอย่างนี้เรื่อยนะเห็นแต่สิ่งที่ปรุงแต่งผ่านมาแล้วผ่านไปเรื่อยๆในสุดมันก็เห็นตัวรู้เข้าไปถึงตัวธาตุรู้ได้ไม่ยากนะยากหรอกหลวงพ่อต้องพูดเรื่อยๆว่าไม่ยากเพราะที่พูดให้ฟังดูยากเหลือเกินฟังแล้วบางทีท้อแท้ใจบางคนฟังแล้วก็ฮึิม เขื่อจะได้เอาไปคิดต่อท้อแท้ใจโอ้ชาตินี้ไม่มีวาสนาจะเห็นถ้ามัวแต่ท้อแท้ใจก็ไม่เห็นหรอกถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อว่านะ้นไม่นานก็เห็นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็เห็นกันเจ็ดปีไม่ได้ก็ทาไปอีกทาไปสิบหกปีสิบหกปีไม่ได้ทามันทั้งชาติเลยทำไมต้องสิบหกปีมันมีเพลงของสุรพลสิบหกปีแห่งความหลังนี้ตามสถิติ ครูบาาจารย์หลายองค์เลยทํากันสิบหกปีสิบหปียังไม่เห็นนะทามันทั้งชาติแหละชาตินี้ไม่เห็นทําไปอีกทํามันทุกชาติทุกชาติมต้องเห็นจนได้สักชาติหนึ่งค่อยดูค่อยดูแต่ต้องทําให้ถูกถ้าทาผิดนะมันก็ไม่เห็นแนละ้วผู้ปฏิบัติส่วนมากทําผิดชอบไปเพ่งทันทีที่ลงมือปฏิบัติแล้วก็เพ่ง กิาการตระกูลเพ่งนี่มีหลายอย่างนะมันเริ่มจากจงใจปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็จงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติก็เข้าไปประคองเข้าไปกำหนดเข้าไปประคองเข้าไปบังคับเข้าไปแทรกแซงสุดท้ายไปเพ่งอยู่นิ่งๆมีหลายดีกรีนะบังคับไว้ประคองไว้กำหนดไว้ควบคุมมาไว้นะแทรกแซงเนียจิตไม่หยุดความปรุงแต่งก็ปรุงสองแบบ ไปกําหนดไว้ไปเพ่งไว้ไปประคองไว้จิตก็ปรุงแต่งความนิ่งนิ่งขึ้นมาไม่แสดงใจรักษถ้าเข้าไปแทรกแซงจิตก็ฟุ้งซ่านมองใจรักษไม่ออกแทรกแซงเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นเห็นความโกรดเกิดขึ้นทํายังไงจะหายนะหาทางทำจิตยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าก็ไม่เห็นใจรักนั่นไม่ไปบังคับไว้นะไม่ไปประคองไว้ไม่ไปกําหนดไว้ไม่ไปควบคุมไว้นะ ในขณะเดียวกันก็ไม่แทรกแสงรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเกิดขึ้นมารู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องอยากรู้เยอะๆบางคนอยากรู้นะพอเริ่มลงมือปฏิบัติก็เอาเลยส่งจิตไปดูดูต้องไปกวานก่อนต้องไปหาหารู้สึกไหมเวลาเราจะลงมือปฏิบัติดูอะไรดีวะแข่งแข่งก่อนนะแข่งไปแข่งมาตรงไหนเออตรงนี้นอะไรแปลกๆดีแล้วก็จ้องคราวนี้เพ่งลนะเพ่งไปเพ่งมาวิิเลตนี่ ตัวนี้ไม่เอาหาทางปัดออกหาใหม่เพระงั้นตัวนี้ถ้าจะดีเอาละตัวนี้กูศนโอ้ปกครองปกคองกลัวจะหายไปกลัวจะหายคือกลัวไตรลักษณ์นะนี่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้กินหรอกเพราะวิปัสสนาแท้ๆไม่ใช่การเห็นรูปนามนะพวกเราต้องตั้งหลักให้ดีมิปัสสนาแท้ๆคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามลาพังเห็นรูปนามมันะเป็นสมถะนะ แค่สมถะเท่านั้นยกตัวอย่างบางคนดูท้องฟองยุบไม่เฟอเลยนะเพ่งอยู่ที่ท้องลูกเดียวเลยดูแต่ท้องฟองยุบอย่างเดียวเลยบอกว่าทํำมิปั ส, สนาเสร็จแลแ้วแหมขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตัวโครงเกิดวู้บู้าบ้าเป็นอาการของปีติอาการของสมถะทั้งนั้นเลยนั้นไปดูท้องฟองยุบไปยกเท้าย่างเท้าไปรู้ลมหายใจไปขยับมือรู้รู้มือนี่ไม่เห็นไตรลักษณ ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่พิปัสนาเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไ ง, เ ห, ไงเห็นไตรลักษณ์ของร่างกาย เ, เห็นไม่ร่างกายมันมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมเดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินข้าวก็ทุกข์ใช่ไหมไม่กินก็ทุกข์กินแล้วไม่ทุกข์ใครลองกินไปเ ร, ร, เรื่อยๆสิเดี๋ยวก็ทุกขนะ์เองเนี่ยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวยังไงๆความทุกข์นี้บีบคั้นร่างกายนี้ตลอดนะแล้วก็ร่างกายมันเป็นวัตถุ เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนจิตใจจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวไปวิ่งวิ่งไปเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมานะมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วดับตอนแรกๆยังดูไม่เป็นจะเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาคิดว่าจิตมีดวงเดียวถาวร วิ่งไปวิ่งมาเหมือนแมงมุมวิ่งไปตามใยที่ต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางไม่ใช่จิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆแต่ดูยากดูยากถ้าดูเกิดดับอย่างนี้ยากก็ดูอย่างอื่นเห็นไหมจิตที่โลภก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่หลงเกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่ไม่โลภเกิดชั่วคราวแล้วก็หาย จิตที่ไม่โกรธอยู่ชัว่วคราวก็หายจิตที่ไม่หลงอยู่ชั่วคราวก็หายดูอย่างนี้ก็ได้ดูเขาเกิดดับไปเรืดูเจตสิกเอาเจตสิกมาช่วยจิตกับเจตสิกมันเกิดร่วมกันมันดับร่วมกันดันั้นจิตที่โกรธเกิดร่วมกับเจตสิกคือความโกรธตรงที่ความโกรธดับนะจิตที่โกรธก็ดับไปแล้วเกิดเป็นจิตที่รู้แทนสมมติพอความรับรู้ดับใช่ไหมเกิดเป็นจิตที่หลงจิตที่รู้ก็ดับ ดับพร้อมกันนะจิตกับเจตสิกเกิดดับไปด้วยกันเพรนั้นเราอาศัยรู้เจตสิกไปก่อนเห็นแต่ความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปคําว่าไม่เที่ยงคําว่านิจจังเนะี่ยหมายถึงว่าสิ่งซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีในทางกลับกันสิ่งซึ่งไม่เคยมีแล้วเกิดมีขึ้นมาก็เรียกว่าอนิจจังเหมือนกันอย่างเราภาวนาใจเราว่างๆพอใจเราว่างๆไม่มีอะไรเลยนะอยู่ๆความคิดก็ผุดขึ้นมาจะทํายังไงต่อดีนี่เกิดละใช่ไหม จิตที่ว่างๆดับไปแล้วจริงๆมันเกิดดับตลอดแต่เรามองไม่เห็นเราเห็นว่าว่างๆไม่มีอะไรว่างๆไม่มีอะไรเกิดดับแล้วทํายังไงนะจะหาอะไรมาดูดีนะสงสัยสงสัยแล้วไม่รู้ว่าสงสัยเนี่ยถูกหลอกซ้ําซ้อนจะหาคนใจง่ายไม่ต้องหาที่ไหนหรอกถูกเขาหลอกทั้งวันนะโ <c oughs> ดนหลอกตลอดวันตลอดคืนถูกความปรุงแต่งมันหลอกอาศัยสติอาศัยปัญญานี่รู้เข้าไปรู้ เห็นเลยจิตมันเกิดแล้วมันดับมันมีแล้วมันไม่มีมันไม่มีแล้วมันเกิดมีดูจิตดูใจอีกมุมหนึ่งดูเป็นอนาตตาดูง่ายอนาตตาดูง่ายเห็นไหมเราบังคับไม่ได้จิตจะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตจะโลภจะโกรธจะหลงเราเลือกไม่ได้จิตจะเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือจะเกิดที่ใจเราเลือกไม่ได้ตามดูไปจะเห็นว่าบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ มันโกรธขึ้นมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปเหนไหมมันโลบขึ้นมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมันบังคับไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญานะการที่เห็นไตรลักษณ์ของกายไตรลักษณ์ของจิตถ้าดูบางคนก็ดูความบีบคั้นของจิตก็ได้จิตมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้มีทุกตัวที่บีบคั้นจิตตลอดเวลาคือตัณหาเป็นเห็นหมทุกครั้งที่เกิดความอยากจิตจะถูกเข้น จิตจะมีความทุกข์ขึ้นมานะไม่น่ารักไม่น่ายึดถือจิตเป็นของที่ถูกบีบคั้นตลอดเวลาตัวอย่างนี้ก็ได้ดูไปเถอหนะอยู่ใ น, ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในกายในใจให้เห็นใจรักถ้าเห็นแล้วจะได้อะไรหเห็นแล้วจะเบื่อเบื่อไม่มีสาระเลยร่างกายจิตใจหาสาระหาแก่นสารไม่ได้น่าเบื่อหมดความรักพอเบื่อแล้วก็ไม่รักมันละไม่รักในกายไม่รักในใจ ว่เบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความรักคลายความผูกพันว่าคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นว่าไม่รักมันไม่ผูกพันมันนะใจก็ปล่อยวางทุกวันนี้ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะยังรักมันอยู่รู้สึกไหมเรารักเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยก็กลุ้มใจนะไม่ทันจะเกิดเลยคิดว่ามันจะเกิดก็กลุ้มใจแล้วยังเวลาสังเกตไม่เวลาเราจะไปตวรวจร่างกายไปจําปีเคยรู้สึกไม้มก่อนหน้าจะไปตรวจสักนิดหน่อยนะต้องลดน้ําตาลหน่อย นะตั้งอย่างง้อนนิดอย่างนี้หน่อยนะเผื่อมันจะดีนะลดลดๆดลงไปแล้วไปตรวจน้ําตาลน้อยกินต่อหนะรคอเลสเตอรอลน้อยกินต่อได้แล้วสบายใจนะรักที่สุดเลยนะรักตัวเองที่สุดเลยหวงแหนไปตรวจร่างกายมันก็กังวลนล้นี่เป็นโรคน้อนอยโรคนี้ไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบให้หมอตรวจหรอกเพราะว่าคนเหล่านะั้นมันต้องมีโรคบ้างอนะ ถ้าหมอตรวจมากๆต้องเจอจนได้เออเจอแล้วชอบมายุ่งกับเราหลวงพ่อนะรู้อนาคตเยี่ยถ้าหลวงพ่อไม่สบายหลวงพ่อต้องช่วยตัวเองพึ่งหมอไม่ได้หรอกเพราะหมอจํานวนมากมจะมาพร้อมๆกันแล้วมาเถียงกันเถียงกันแล้วตกลงกันไม่ได้นะแล้วก็บอกหลวงพ่อตกลงใจเอาเองอยานี้จะฉันหรือไม่ฉันจะทําอย่างนี้หรือไม่หลวงพ่อว่าเอาเองเพราะงั้นไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยเราว่าของเราเองเลยดีกว่าไม่ต้องเวียนหัว ถ้าจะตายเราขอตายของเราคนเดียวสบายๆแต่ก็เลือกไม่ได้เนะ้อพอเราพูดไม่ได้แล้วก็ทําไงก็ได้ <c oughs> บางคนนะพ่อแม่ไม่สบายรักมากนะพยายามยือ้อจับใส่เครื่องช่วยหายใจใส่แล้วถอดไม่ได้ใครจะสั่งถอดอนะ่ะ <c oughs> จะเกณฑ์ให้หมอถอดหรอือแล้วใครจะสั่ง สั่งไปดีไม่ดีอนันตริยกรรมอ่ะก็คิดให้ดีนะอย่ายื้อแค่ไหนระวังให้ดีสั่งใส่กง่ายสั่งถอดยากนะบางคนจะมาเจ้าเล่จะมาโยนให้หลวงพ่อควรจะถอดไหม <c oughs> จะมาโยนให้เราแล้วบอกเออสมควรใช่ไหมหลวงพ่อประโมทสั่งให้ถอดแล้วเ <c oughs> นี่เจ้าเล่ไปหน่อยนะอะไรไม่ดีโยนให้เรา หรือไปหาครูบาอาจารย์บางวัดนะท่านชอบให้เดินจงกรมให้ขี้เกียจเดินเดินไม่ไหวมาถามหลวงพ่อนะการปฏิบัติต้องทําทุกอิริยาบถใช่ไหมคะเรารวมตัวตอบว่าใช่นะั้นก็จะไปบอกครูบาอาจารย์วัดอื่นบอกหลวงพ่อประมุบอกไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้หาเรื่องให้เราถูกด่าตอนหลังหลังใครมาถามนะต้องพิจารณาก่อนว่าถามเพราะอะไรง่ายนะฝึกไป ง่ายสังเกตไหมใจหนีไปหมดห้องแล้วรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดอะไรนอกเรื่องธรรมะใจก็หนีไปพอหลวงพ่อเริ่มพูดธรรมะรู้สึกไหมใจทือๆใจเริ่มนิ่งๆทือๆ อ, อีกแล้วนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้สภาวะไปด้วยรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็จะได้มรรคได้ผลจิตมันรวมเข้ามามันเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับไปสองสามขณ ะ, ะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยมีสติ รู้เนื้อรู้ตัวตลอดนะมีสติตลอดแต่อาจจะมีกายหรือไม่มีกายไม่สำคัญหรอกถ้าเข้าฌานที่ลึกไปก็ไม่รู้สึกถึงกายถ้าเข้าฌานตื้นๆยังรู้สึกถึงกายอยู่ไม่ใช่เวลาเกิดมากผลบูบลงไปหมดสตินะเมื่อวานไปเทศที่สารกลางผู้ว่าเป็นเพื่อนกันนะไม่ไปก็น่าเกลียดเราอยู่ในพื้นที่เขาก็บางทีนะแต่เห็นตรงนักก็ไม่ได้หรอก ต้องสงเคราะห์กันเป็นลายๆไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เห็นตรงใช่ไหมอย่างนี้สงเคราะห์โลกก็ส่งเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์ญาติท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านก็ต้องจำแนกเหมือนกันเมื่อวานทวายเทศพเขาเจอคนหนึ่งไปเรียนกรรมฐานที่ไหนมารู้แต่ไม่บอกนะบอกได้เป็นพระอริยะมาตั้งแต่อายุยี่สบเนี่ยอริยะอย่างนี้ลําบากนะ ระยะบูบบาบาเวลาบรรลุมรรคผลต้องมีสติไม่ใช่บรรลุหนึ่งทีนะโอ้โงงงั้นครูบาบรรลุบ่อยเลยแต่ก่อนเนี้ยรวมบูบ้บู้บูบ้ไปไปไนะ <c oughs> ทีรวมปุ๊บหัวก็เดินไปทางตัวไปทางนั <c oughs> ่นนันอาการของสมถะสมถะงั้นเวลาภาวนาอย่าเชื่อง่ายนะ พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไหมบอกถ้าใครเขาบอกว่าเขาบรรลุมรรคผลนิพพานนะอย่าเพิ่งคัดค้านแต่อย่าอนุโมทนาสอนอย่างนี้นะอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าอนุโมทนาต้องพิจารณาให้ดีก่อนอย่างบางคนบอกได้ญาณเยอะแยะเลยนะห ล, ยหลายรอบแนละ้วเป็นพระราารละหันแล้ววันดีคืนดีก็ยังตีกับคนอื่นอยู่ยังด่าอย่างตีกันอยู่อย่างนี้ละกิเลสไม่ได้จริงเป็นไม่ได้จริงต้องสํารวจ ขนาดเวลาบรรลุเองนะเวลาเราภาวนาแล้วบรรลุขึ้นมาเนี้ยจิตยังทวนกระแสเข้ามาสํารวจเลยว่ากิเลสอะไรล้างเด็ดขาดไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่นี่มันทวนเข้ามาพิจารณานะมันไม่ใช่บู้บู้ว่าๆพออาจารย์ออกเซอร์ติฟิเกตให้แล้วก็ใช่เลยไม่ใช่นะงั้นจะเชื่อง่ายสังเกตเอากิเลสยังมีไหมถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังเชื่อไม่ได้ดูไปอีกดูไปเรื่อย เม่อไหร่กิเลสย้อมจิตไม่ติดนั้นแหะค่อยเชื่อย้อมกันไม่ติดนะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้อีกละค่อยเชื่อใจเป็นอิสระโล่งว่างกว้างขวางกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตเดิมได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าจิตมันกว้างกว้างนะอย่างนึกในในพระไตรปิฎกมีบ้างไหมในตำรามีบ้างไหมควเอาหนังสือมาให้อ่านนะท้งท่านเจ้าคุณประยุทธ์มีจิตอยู่ตัวหนึ่งชื่อวิมาริยาที่กัดจิต จิตตัวนี้กว้างกวางจิตไร้ขอบไร้เขตไรจุดไร้ดวงไร้ที่ตั้งกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะมีจริงๆด้วยในตำราก็มีเหมือนกันนี่นเราค่อยฝึกนะเชนใจเรากับธรรมะเป็นนันเดียวกันไม่ทุกข์ละคราวนี้ไม่ทุกข์ละขันมันทุกข์ส่วนของขันจิตไม่ทุกข์ด้วยละมีแต่ความสุขล้นๆ้นเลยจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุรนทุรายร่างกายอาจจะดิ้นไปดิ้นมาได้นะแต่จิตไม่มี ผิดสบายให้ฝึกไปเรื่อยๆรือยแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ